หาความสุขความสงบไม่ได้มีแต่วุ่นวายเดือดร้อนเพราะความเบียดเบียนกันเพราะความ <c oughs> อิจฉากันธรรมจึงเป็นเรื่องสำคัญควรนำมาประดับกายวาจาใจของตัวคนมีธรรมเท่านั้นที่จะทำตัวของตัวและโลกให้สงบเย็น คนไม่มีอาจมีทำอยู่สถานที่ใดเกี่ยวข้องกับใครมันก็เดือดร้อนวุ่นวายเพราะไั่มีอาจมีทำในจิตในใจทําอะไรไปตามความอยากของตัวไม่ดีคิดนึกถ้าคนอื่นเขาจะเป็นอย่างไรสัตว์อื่นเขาจะเป็นอย่างไรเมื่อเขาทํากับเราเขาปูดกับเราอย่างนี้ มันไม่ไบกคิดเข้ามาภายในเพื่อจะยับยัง้งทางพวงจิตใจเหตุ น, นั้นโลกจึงป่วนฟันโลกจึงเดือดร้อนเพราะความเอารัดเอาเปรียกกันเพราะความเบียดเบียนกันเพราะความไม่เห็น อ, อกเห็นใจกันขาด ท, ทําแค่อย่างเท่านั้นโลกก็ไม่น่าอยู่หน้าอาศัยหมายถึงโลกทั่วไป โลกภายในคื่จิตของเราก็ทำนองเดียวกันเมื่อไม่มีธรรมแล้วจะไปอยู่ป่าในที่สงบสงัดขนาดไหนใจมันก็ฝุ่งก็กลุงก็คิดก็นึกก็ยุ่งก็เจียวทั้งๆ ท, ที่ไม่ดีประกอบจิตการงานอะไรนั่งหลักตาภาวานายอยู่แต่มันก็วุ่นวายเดือดร้อนบังคับมันไม่อยู่วิ่งไปสู่อารมณ์อันนั้นวิ่งไปสู่อารมณ์อัน นี้สิ่งที่มันควรกําหนัดยินดีมันก็เผยเพลินบ่าบอไปทั้งๆสิ่งที่สิ่งนั้นไม่มีในสถานที่ที่เราอยู่สิ่งทีเราอาคาดพยาบาททั้งๆสิ่งนั้นล่วงไปไระหลายวันหลายเดือนหลายปีแต่นํามาคิดมาปุงมันก็เดือดร้อนแขลเถา ต, ตัวเองขึ้น มันไม่สงบังัดเพราะจิตของเราม่อยู่ในฝั่งในฝาในขอบเขตของอัจของทำถ้าเรารักษาจิตของเราให้อยู่ในวงของธรรมมันสงบมันสบายมันไม่วุ่นวายเกี่ยวข้องในเรื่องภายนอกฉังนั้นทุกคนที่สนใจในอัจในธรรมจงมีสติ เราล้วยึอยู่ตลอดเวลาเวลาภาวนาเวลาทำความเพียรอย่าไปปล่อยให้สัญญาอารมณ์ต่างๆมายั่วยุทักจูงเอาไปให้ตั้งใจกำหนดจิต ข, ของตัวไว้มีปัญญาแนะสอนใจแต่การคิดไปปล่อยไปมันไม่เกิดสาระประโยชน์ นี่หมายถึงจิตของปูที่ยังตั้งตัวไม่ได้เหมือนกันกับเด็กถ้าเราปล่อยมันไปไม่มีผีเลี้ยงหรือคนดูแลมันอาจจะไปตกน้ำตกถ่าหรือไปตกบานตกช่องหน้าอันตรายมากเพราะมันไม่รู้จักอะไรแต่ผู้ใหญ่จะไปบังคับบัญชาให้อยู่ในขอบในเขต ให้ไปเที่ยวที่ไหนหรือไปต้อตงมีคนรักษาแบบนั้นไม่ถูกผู้ใหญ่หรู้จักสิ่งนั้นผิดสิ่งนี้ถูกสิ่งนี้ควรหลีกเลียงสิ่งนี้ควรกระทาถึงไปนอกบ้านหรืออยู่ในบ้านการงานที่เขาทำก็ประโยชน์ให้แก่ครอบครัวของตัว และตัวเขาเองฉันใดจิตใจของท่านที่มีสมาธิมีปัญญาขัาทานองเดียวกันถึงปล่อยออกไปนึกคิดข้างนอกก็ไม่เสียคือไม่นำความชั่วมาเผาตัวของตัวออกไปทำไปคิดข้างนอกก็คิดเพื่อการเผื่องานเพื่อจะกำจัด ความสงสัยของใจขับไล่กิเลสตัญหาที่มีอยู่ในใจออกไปเที่ยวนอกแล้วเกิดความเสียหายเพราะท่านเป็นผู้ใหญ่รู้จักที่ควนไปควนมาควรทำควนพูดจิตใจของท่านที่ฝึกปฏิบัติถึงท่านวิปัสสนากก่าทํานองนั้นท่านปล่อยออกไปทีนี้พิ่แจนาะ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 คำสอนของพระุทธเจ้าเป็นของกลางเรามีสิทธิ์ทุกคนไม่ใช่ว่านักบวชท น, นั้นจะพอเพืปฏิบัติกันคาววาพอปฏิบัติได้เมื่อใครมีอาจมีทาปฏิบัติถูกต้องตามาศาสนาความสุขความสบายในตัวจะเกิดขึ้น คือไม่มีทางที่จะต้านหนิตัววัยชื่ออว่าเสียในการทำการผูกการคิดของตัวเมื่อตัวไม่มีทางต้านหนิตัวไม่ใช่เข้าตัวว่ะเราทำทุกอย่างนี้ถูกต้องดีงามคนอื่นก็จะต้านหนิตัวโลกกว่าช่างเขาเราทำถูกทางนั้นนี่คือเข้าตัวทั้ทั้งสี่ตัวชั่วกว่าถือว่าตัวดี ไม่ได้แบบนั้นสงตรวจตาทุเจนะทีทวนเอาทำเป็นหลักเกณฑ์ถ้ามันถูกต้องตามอาัตตามธรรมแล้วมันไม่หวั่นไหวเขาติจนินทาทท่วโลกคือเขาไม่เข้าใจความจริงที่เราทําเราพูดเราเห็นเราบําเพ็ญอยู่ถ้าเขาเข้าใจความจริงอย่างทิดเราทํานี้ ก็ไม่มีใครที่จะตำนมีมีแต่คนจะชมเชยสัลรเสริญเท่านั้นมีคนที่เขาตำนมีกันเพราะเขาไม่เห็นความจริงที่เราก็ทำบาเพ็ญไม่ใช่เราทำด้วยความเงงเง่าทำด้วยขาดสติขาดปัญญาขาดธรรมะทางใจถ้าเราทำ เราพูดในทางอาจัจทางธรรมถูกต้องดีงามทุกอย่างใครจะตำหนิหรือชมนั้นจึงไม่เป็นเรื่องสำคัญเพราะความจริงเป็นอย่างไรจะตระทับอยู่ในใจของตัวเองแต่คนส่วนมากที่ในนี้ทำหมะไม่อย่างนั้นถึงตัวทมผิดขนาดไหนมีใครเข้ามาตักเตือน่ากล่าวนี้นิดหน่อยเพราะว่าเขาดูมินมนินทไม่ยอมละ ไม่ยอมแก้ไขแบบนี้มันยุ่งใหญ่ยุ่งทั้งตัวเองยุ่งกับคนอื่นอีกเพราะไม่ดิที่จรีนาว่ามันถูกหรือมันผิดอย่างไรส่วนทางธรรมะนั้นเอาหลักธรรมเป็นสำคัญถ้ามันผิดเด็กเกิดวานนี้มาบอกให้เตือนให้ก็ยินดีที่จะรับก็พฤติปฏิบัติละเวน้น จากสิ่งที่ตัวการทำบําเทนทที่เห็นว่าผิดถามันไม่ผิดถึงนักบลาศอาจารย์ใหญ่โตขนาดไหนมาค่มคู่ว่าเธอทาไปนี้มันผิดก็ไม่ยอมเชื่อเพราะเราตรวจตาที่ใจนาะการกระทาของเราถูกต้องดีที่เขาตำหนิ เพราะเขาไม่เห็นความจริงี่เราทำเราบาเพ็ญมันเป็นอย่างนั้นกที่มีทำจึงไม่ได้ถือบุคคลเป็นสาคัญถือความถูกต้องเหตุผลเป็นสำคัญถ้ามันมีเหตุผลถูกต้องดีแล้วไม่ว่าตังแต่ใครจะมาบอกมาสอน รับเป็นครูเป็นอาจารย์ทางนั้นถือได้ท้งนั้นถ้ามันไม่ถูกต้องไม่มีเหตุผลคนคนนั้นจะมีคนเลื่อนไสศทธาอยู่ทั่วโลกก่อตางเราจะไม่เชื่อไม่เลื่อมใสไม่ยินดีเต็มใจที่จะรับเอาคำของเขาดัง น, นั้นมาปฏิบัติเพราะคำสิ่เขาพูดเขาแน้สอนนั้นไม่ใช่คำ ในใส่วิัยขี่พระพุทธเจ้าแหนสอนเอาไว้ไม่มีเหตุผลอะไรที่ควรนำมาประพฤติปฏิบัติมันหนักแน่นอย่างนั้นสำหรับจิตใจของท่านผูกประพฤติปฏิบัติทิดทแข็งแข่งมากจะเรียนมาขนาดไหนถ้าหากทางด้านจิตใจไม่ได้ฝึอกอบรมไม่ได้เป็นไปถูกต้องแล้ว ไม่ได้ถือเป็นสำคัญจะไม่ได้เรียนมาจากที่ไหนาำรับตำราอะไรอ่านไม่ออกเขียนไม่เป็นกวาตามแต่ท่านระทําบาเพ็ญของท่านภายในเข้าใจในการละการบาเพ็ญอย่องจลิตัรหาพูดออกมาคำสองคำตอนนั้นก็ถึงใจพอใจนี่คือการประพฤติปฏิบัติอาจทาจริงจังเอาเหตุผล ที่กาะทำขึ้นตัวของเราเองที่กระทำมมเพนเคยเห็นเคยเป็นเคยรู้อย่างไรไปศึกษากับท่าน น, นั้นถ้าท่านเป็นท่านเห็นจากการกะรทำมมเพนท่านจะตอบถูกจุดที่เราถามทีเดียวไม่ได้อ้อมแ้มไปที่ไหนและพูดออกมา จากความเป็นความเห็นนั้นมันหนักแน่นฟังมันถึงใจถ้าไม่เห็นไม่เป็นอะไรพูดไปมันไม่ก่อประโยชน์ท่าลำคานหิวลำคานใจของผูกฝังนี่หมายถึงผู้เพเ่อปฏิบัติทางจิตทางใจเป็นอย่างนั้นไม่ได้นำอะไรมาสอนกัน นำเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นขึ้นที่กระทำมํมเทนมาสอนกันสำหรับตารานั้นยกบูชาไว้แต่ความเป็นของจิตของใจนี้เขียนอย่างไรเป็นอย่างไรพูดกันตามเป็นจริงมันเข้าใจกันพูดที่ประพฤติปฏิบัติเป็นอาจเป็นธรรมจริงจังทึงทันจะเขียนไม่เป็นอ่านไม่ออกก่อตามอย่างหลวง ามบัววันน้องแสงเพียงยะถาสักพีก็ไม่ถูกถ้าพูดตามหลักของโลกเพราะท่านไม่เคยศึกษาอ่านตำรับตำรา็ไม่เ้นแต่คนที่ขัดข้องทางจิตใจทางภาวานาไปศึกษาท่านไม่เคยจนในการแก่ตอบนี่คือท่านเป็นท่านเห็นภายในของท่านในการประพฤติปฏิบัติแต่จะให้พูด ถูกต่องตามสมุติข้างนอกมันถูกต่องในได้เพราะทําในเรยศึกษาแต่ถึงอย่างไรก็ดีจะไม่มีความรู้ฉลาดทันกับโลกเขาก็ตามขอให้ทันกับจิเเหตัญหาของตัวละชั่วบำเพ็ญดีจนจิตหนักแน่นมั่นคงเย็นสงบเพียงส่านนี้ก็พอไม่ต้องไปหาที่อื่นความสุข ถ่าจิตของตัวไม่ชั่วไม่เสียไม่ทุกข์ไม่ร้อนโลกอันนี้มันจะเป็นอย่างไรนั้นนี่สนใจมันพอมันเย็นมันสงบอยู่ภายในของตัวแล้วเขาจะว่าชั่วว่าเสียขนาดไห น, นแต่ความสุกความเย็นความเห็นความรู้ในจิตในใจนั้นถ้ามันยังหวั่นไหวตามลมป่ากของเขานั่นคือเรายังไม่เข้าถึง อาจทำจริงจังเขาสรรเสริญก็ตื่นเต้นขเนงยินทาก็เดือดร้อนนี่คือจิตใจไม่มีหลักธรรมถ้านี่จิตใจมีหลักธรรมจริงจังเขาสรรเสริญก็แขนั้นเขายินทาก็แ่นั้นความจริงเป็นอย่างไรเข้าใจอยู่ในตัวของสูขนี่คือผู้ที่เห็นหลักเกณฑ์ของอาจของทำจริงจัง ดังนั้นพวกเราท่านจงหมั่นที่นิทิจัยนาศึกษาต่างหน้าต่างตาปฏิบัติโอกาสเวลาบางขันบางคนก็หายากกว่าจะมาภาวนามาทําความผาดความเพียนได้แต่ละวันแต่ละคืนเพราะการงานมันมากเหมื่อมาแล้วกว็ต่างหน้าต่างตาจะให้ขาดทุนผลกําไรตั้งใจกต่ทำเพื่อความสงบเย็นของตัว จะมีกำลังไปต่อสู้การงานต่อไปเพราะใจส ง, งบใจลงรวมมีกำลังเหมือนกันกับกายของเราได้พักผ่อนทานอาหารแล้วก็มีกำลังที่จะทาการงานสะดวกสบายถ้ากายไม่ได้พักผ่อนไม่ได้ทานอาหารอะไรการงาน เบาก็เป็นการงานหนักไปของง่ายก็เป็นของยากไปเพราะไม่มีกําลังที่จะทำดังนั้นเรื่องของใจก็ทํานองเดียวกันหากบันได้พักผ่อนได้รับอัดทำที่พิณิพเจณาแล้วมันมีกําลังที่จะต้านทานที่จะทํางานต่างๆได้ดังนั้นทุกท่านเมื่อได้สำหรับรับฟัง ทำอย่างที่อธิบายมาจงนำไปที่นิสิตเจนาเหมือนเห็นว่าเป็นทางถูกต้องของจงต่างหน้าต่างตางต็อพิริปตปฏิบัติเมื่อลงมือขอพิริปตปฏิบัติไปความสุขความสบายท้องใจซึงเราต้องการปรารถนาก็จะเกิดขึ้นการอธิบายธรรมะเห็นว่าพ อ, อ, อสมควรในเวลาเพรายุติเพียงแค่นี้เอวัง